คถาที่15เนี่ยนะกล่าวถึงพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นยังทรงหนุ่มนะทรงหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงยังเป็นหนุ่มแน่นพระองค์ก็มีพระประสงค์จับผนวชก็เลยรับสั่งกับพวกอามาทั้งหลายว่าพวกท่านจงรับพระเทวีปกครองราชสมบัติเถิดเราจะบวชนะก็ช่วยดูแลกันเองกันแล้วกันนะคือท่านท่านยังหนุ่มอยู่นะก็มีมเมหสีแล้วละ และก็เห็นโทษไทยของวัตตะเบื่อนายเพราะว่าพื้นฐานอัธยาศัยของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระปเจกท่านเหล่านี้สังสมเนคคำมัทธยาศัยมามากสังสมอโลภัทยาศัยอโทสัทธยาศัยอโมหัทธยาศัยสังสมเนคคำมัธยาศัยวิเวกัตทยาศัยและก็นิสรณัธยาศัยอัธยาศัยที่เป็นส่วนแห่งการตรัสรู้ท่านเหล่านั้นสังสมมามาก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 ก่อนพักก็ก็เก็บเอาไปซื้อเหล้ากินมูหพวกคิเมาย่งกไปหมดแล้เหมือนกันไม่เหลือพรัองไม่เหลือเป็นของใครโล้มันก็เป็นของโลกนี่แหละคือเนื่อกากท่านมองการไกลมองชีวิตหลายภพชาติมองเห็นว่าชีวิตนี้ถ้ายังนมยังแน่นอยู่ก็ยังพอมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังทางร่างกายและจิตใจท่านก็พร้อมที่จะนำเอาไปใช้เอาไปพิจารณาอาริยสัจได้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 ตอนแรกก็ตอนหลังก็บอกโอ๊ยต้องหลายๆชัน้นสิขึ้นลงสบายตอนหลังเข้าก็บอกโอ้ยอยู่ข้างล่างนี่แหละ น, นักเข้าจะพยุงตัวขึ้นไม่ไหวนะสังขารทั้งหลายมันก็หนักหนาสาหัสขึ้นไปเรื่อยนะั่นแหละหมดเดี่ยวหมดแรงหมดสภาพเลยแหละทั้ขนาดว่าจะยกตัวขยับเขยืขย้อเคลื่อนไหวไปไหนสักหน่อยหนึ่งก็ยังยากจะกล่าวไปยังถึงการพิจารณาอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าการเย็บปักถักร้อยเนี่ยนะ ตาก็พร่าเต็มทีแล้วจะเย็บปักถักร้อยอะไรจริงอยู่สําหรับผู้ที่อบรมจิตมาเป็นอย่างดีอบรมปัญญามาอย่างมาก น, นะอายุไม่ใช่ปัญหาถ้าสําหรับคนที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีอย่างเช่นสั่งสมราคาโทสามโมหะเป็นอย่างดีเนี่ยอายุมากไม่ได้ลดลงเลยเพราะสั่งสมจนชํานาญ น, นะอายุมากบางทีโลกกว่าเก่าอีกสมัยก่อนก็ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่ก่น พายุก ม, มากๆเข้าเนี่โอ้ยทางานไม่รู้จักเน็ตจากเหนเก็บเก็บไม่รู้เก็บไปทําไมนะทีเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บซะจนเรียกว่าขยะเต็มรอบๆตัวไปหมดมองทุกอย่างมีประโยชน์ไปหมดมาแรงตอมหึงไปหมดนะทีเพราะน้ราค่าที่สั่งสมมามันก็แก่กล้าพูดอะไรก็ได้ที่จะก่อให้เกิดราคานี่ชํานาญมากนะแล้วก็สะสมโทรศัมาตลอดชีวิตเนี่ยนะพร้อมที่จะไม่สบายใจได้กับทุกเรื่อง นะลูกออกบ้านก็เดือดร้อนลูกเข้าบ้านก็เดือดร้อนเพราะจะเดือดร้อนในทุกอย่างไปหมดใบไม้ตกใบเดียวก็เดือดร้อนหมดละเพราะว่าสะสมโทสะมานานแล้วก็อวิชาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเนี่ยนะบอกว่าไม้แก่ดัดยากเนี่ยนะไม่รู้จะบอกไม่รู้จะกล่าวกันยังไง <c oughs> สอนไปเถอะมันก็พูดดีนะแต่ว่าทงทำตามไม่ได้หรอกราณนั้น ชั้นก็เป็นของชั้นอย่างนี้มาตั้งนมนานแล้วนะก็อนุรักษ์นิยมอิต่างหากมันก็เลยเป็นอย่างนี้เข้าเพราะนนั้ในพระไตรปิฎกนั้นจึงกล่าวว่าการบวชตอนอายุมากนี่ก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไม่ใช่น้อยพระนุ่มเน้น้อยจะบอกจะเตือนกขาบอกโอ้ยพวกนี้มันรุ่นลูกรุ่นหลานเราทั้งนั้นแหละนะภูไภยทั้งหลายก็จะตามมาหมดเพราะ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 เพราะฉะนั้นให้มีลูกสักองค์หนึ่งก่อนก็นกยังดีถ้ามีลูกต่อไปลูกก็จะได้ครองราชสมบัติวงของพระองค์ก็ยังเป็นไปก็ทุกคนก็เสนอกันมาเกลี้ยกล่อมพระราชาใจก็เลยอ่อนเข้าเนี่ยตอนแรกก็แข็งโป้งเลยนะคนที่หนึ่งสองสามสีมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมหนักหนักเข้าก็โอนอ่อนพรตามก็เลยรับนี่ก็อยู่กันต่อมาจนพระเทวีนี่มีคันพระเทวีมีคันพอท้องพระพระรา พระราชาก็ตรัสสั่งอํามาตย์เหล่านั้นอีกว่าพระเทวีตอนนี้มีครันแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอภิเสกบุตรที่เกิดไว้แล้วในราชาสมบัติปกครองราชาสมบัติก่อนเถิดเราจะบวชพราะมีท้องนั่นนะเห็นไหมมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลอดออกมาแล้วแต่งตั้งเลยนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปแล้วมนาะพวกอํามาตย์ก็ทูให้พระราชา ย, ยินยอมไม่ให้เอกว่าข้าแต่มหาราช ข้อนั้นเนี่ยมันรู้ได้ยากว่าพระเทวีจะประสูติพระโอรสหรือพระธิดายังมีข้ออ้างอีกนะอยู่ในคันถ้าสมัยนี้มีเครื่องอุตตรศาวิทยสบายแล้วเพราะฉะนั้นกอกรอให้ประสูติก่อนเหมงอนันรอให้ประสูติก่อนเธอต่อมาพระนางก็ประสูติพระโอรสครั้งนั้นพระราชาก็สั่งอามาตย์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นอามาตย์ก็เลยทูลอ่าทูลให้พระราชายินยอมแม้อีกด้วยเหตุเป็นอันมา ก, กว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงรอกว่าพระโอรสมีกำลังแข็งแรงก่อนดูก่อนซิเนี่ยนะเขาจะไปยังไงเขาจะเจริญเติบโตมีสติมีปัญญาพอจะครองราชสมบัติได้ไหมพระองค์ไม่ห่วงลูกเลยเหรออะไรเง้ยคุยไปคุยมาอ้าวใจอ่อนอยู่ต่อจากนั้นเมื่อพระกุมารทรงมีพระกาลังแข็งแรงเจริญเติบโตขึ้นมาพระราชาก็ให้ประชุมห ม, มาทั้งหลายแล้วก็ตรัสว่า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 มหาชนก็นอนบนพื้นดินเอาศีรษะจรดที่รอยขีดแล้วก็ข้ามครวญทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าบัตรนี้พระราชาทรงวางพระาชาอายาแก่พระองค์พระราชาจักทรงจะทําอย่างไรแล้วก็ให้พระกุมาร น, นั้นอ่ะเสด็จข้ามรอยขีดไปไม่รู้ใครกล้านะเอาเด็กนำหน้าก็แล้วกันพระกุมารก็ร้องว่าสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อก็อวิ่งไปจนตามทันพระราชาลูกน้อยนะ ประชาก็คิดว่าเราปกครองมหาชนนั่นเสวยราชสมบัติบัตนี้เราไม่อาจเพื่อจะปกครองเด็กคนเดียวหรือไรเนี่ยนะปกครองบ้านเมืองแผ่นดินใหญ่โตยังทำได้แต่เด็กคนเดียวทำไมจะปกครองไม่ได้ก็เลยพาพระกุมารเสด็จเข้าป่าพาลูกบวช ด, ด้วยก็ได้ตรงนั้นเรียกว่าพระพ่อลูกอ่อนนั่นนะลูกน้อยๆสมัยนี้เขาก็มีนะพระบางองค์เนี่ยไม่รู้ทะเลาะ ก, กับครอบครัวยังไงมาไม่ทราบมา บ, บวชมีลูกน้อยๆ อ, องค์หนึ่งไ้ไหน ไปไหนก็มีรพระพ่อลูกอ่อนนะถือว่าพาลูกลูกลน้อยเลี้ยงลูกด้วยนะบวช ด, ด้วยเลี้ยงลูกด้วยสมัยนี้ก็มีไม่รู้สึกไปยัง